เพราะฉะนน่าจะมาวิปัสนาได้เนี่ยต้องเอากิเลส ข, ของเรานั่นแหละมาพิจารณาแต่บางทีบางคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ไปนึกว่าวิปัสนาวิปัสนาที่ไหนได้เนี่ยเอากิเลสคนอื่นมาวิปัสนาอยู่เรื่อยเลยเอากิเลสคนอื่นนะมาวิปัสนาอยู่เรื่อยมันไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่วิปัสนาอันนั้นมันเป็นแค่เรื่องเหตุผลอย่างนี้อย่าง ง, งน่นแต่ไม่ใช่วิปัสนา ถ้าวิปัสสนานี่ต้องเอากิเลส ข, ของเรามาพิจารณาเลยมาแยกแยะนั้นผะูดง่ายว่าตัดเรื่องกิเลสเข้าออกไปได้เลยไม่ต้องสนใจเลยก็ได้แต่เอากิเลสเราเนี่ยแหละมาพิจารณาว่าทําไมเราต้องไม่ชอบใจเขาทําไมเราต้องถือสาเขาทําไมเราต้องเกลียดชังกิเลสตัวไหนของเราที่ทําให้เราถึงอารมณ์อย่างนี้อารมณ์แปรปรวนอย่างนี้อารม์หงุดหงิดอึดอัดอย่างนี้ตรวจ<ม>หาให้เจอเนี่ยแหละเราวิปัสสนา แล้วพอหาเจอแล้วเนี่ยคุณก็ยังวิปัสนาจนกระทั่งถึงที่สุดเลยคือแล้วเนี่ยจะคิดยังไงล่ะจะปรับจิตยังไงอ่ะนะถึงจะอะไรอ่ะปุญญาวิสังขานเนี่ยคือคุณจะสังขานยังไงที่เป็นบุญแล้วทำให้กิเลส ท, ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันโดนทำลายหรือว่ามันโดนล้างทิ้งไปอย่างที่ฤกี์อตมาพูดอะ่ะอย่างเช่นบอกว่าโอ้โห จริงๆแล้วเนี่ยเอาสมมุติว่าเอาเท้ามาสะ ก, กิดเนี่ยจริงยอมรับว่าไม่เหมาะไม่ควรเป็นความผิดแต่มันเป็นความผิดใหญ่โตรหรือเปล่าเห็นไหมมันไม่ได้มันไม่ใหญ่ใหญ่หญโตอะไรยจ ร, จริงๆมันเป็นความผิดที่เล็กน้อยถูกไหมอเนี่ยคิดว่าไม่ถือสาใช่ไหมเพราะเราก็เลยอาจจะประมาทไงประมาทก็เลยก็เลยใช้มือฝรั่งส ก, กิด อ๋อมือไม่ว่างแม่เตรียมกาบโอ้โหคิดในทางที่ดีมากเลยอ่ะจริงๆก็ใช่ไงคิดในทางที่ดีมากเลยแม่แต่มันเกินไปหน่อยนะแมมือไม่ว่างเลยเตรียมกาบแล้วเท้าไม่ต้องใช้ไอ้เท้าก็ต้องไม่ว่างด้วยแตแม้จะกาบเท้ามันก็ต้องตั้งท่าด้วยเหมือนกันแหละ <c oughs> เอาแต่ตั้งเป็นความคิดที่ดีแต่ความคิดที่ดีเนี่ยต้องต้อง ต้องไม่เกินจริงนะความคิดที่ดีก็ต้องคิดแบบให้มันถูกต้องด้วยแล้วก็ให้มันมันเป็นจริงได้นะอย่าคิดอะไรที่มันกลายเป็นไม่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็พิจารณาไปเนี่ยจนกระทั่งใช่ไหมโอ้โหส่วนที่เขาทําดีอ่ะเขาเสียสละโอ้โอย่างเขาอยู่กับหมู่กลุ่มมาตั้งกี่ปีแล้วใช่ไหมเขาทําบุญทำทานมาตั้งเท่าไหร่แล้ว อยู่ช่วยงานส่วนกลางมันต้องเท่าไหร่แล้วความดีเขาต้องมโหรารเลยเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วทำไมอ่ะแค่เนี้ยยกผลประโยชน์ให้เขาบ้างไม่ได้เหรอจริงเป็นความผิดเนี่ยแต่ผิดมันนิดเดียวอ่ะผิดเท่าหางช้างเนี่ยแต่เขาถูกเท่ากับตัวช้างเนี่ยโอ้ทําไมอ่ะทําไมยอมไม่ได้เหรอแค่เนี้เหมือนกับเรื่องจําได้ไหม โกสัมพีสูตรอะโกสัมพิยะสูตรอะไรเนี่ยที่ปิกสูชาวโกสัมพีทะเลาะ ก, กันอะอนุอนมาก็ชอบอามาเล่าอยู่บ่อยๆคุณคิดดูเนี่ยเนี่ยเหมือนหางช้างติดปวยกาเนี่ยทะเลาะ ก, กันแค่ลืมคว่ำน้ำไอ้ไม่ได้คว่ำขันน้ําเนี่ยน้ําไมไ่ในกระลามันอยู่อะ่ะไม่ได้ไม่ได้คว่ำทิ้งอะเข้าห้องน้ําแล้วไม่ได้คว่ำทะเลาะ ก, กันแค่เรื่องเนี้ย ไม่ไม่ได้คว่มขันปล่อยให้น้ํามันค้างอยู่ในขันกะลาเนี่ยอีกพวกหนึ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยทําผิดเออทําผิดบินัยนะผิดกดเกณฑ์แล้วนะอาบัตพูดง่ายอ่อีกพวกหนึ่งก็โอ้ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอาบัตนะเสร็จไปคุยกับเพื่อนคุยไปคุยมาโอ้ยแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ไม่อาบัตอะไรไปไ ป, ไปม า, ม า, มาฟังไปฟังมาเออเออเราเร า, เราไม่ผิดอะไรนี่ คราวนี้เลยกลายเป็นสองพวกเลยคือคราวนี้เลยไม่ยอมรับผิดเลยแล้วก็เลยอี ก, อกฝ่ายยังก็จะเอาผิดทห้ได้จะเอาผิดให้ได้ จ, ดไดจนกระทั่งโหทําสงแบ่งเป็นสองพวกทะเลาะกันแตกกันเป็นสองพวกเลยทําสังฆเภทเลยไม่ร่วมสังฆ ก, กรรมกันเลยคร <c oughs> าวนี้แหละโอโหจนพระพุทธเจ้าไงคราวนี้ ก็ต้องไปนิมนต์พระเจ้าให้มาแก้ปัญหานี้เพราะว่าสงแตกกันออกเป็นสองฝ่ายละวพระเจ้ามาเสร็จไปข้างที่คิดว่าตัเองถูกนี่แหละตัวอย่างเดียวกันเลยพระเจ้าก็ไปข้างที่ที่ ท, ท, ที่คิดว่าถูกอะ่ะแล้วก็จะเอาเรื่องอีกข้างหนึ่งที่คิดว่าผิดพระเจ้าไปถึงก็ก็พูดง่ายว่าแหมถ้าใช้สำนวนอย่างที่ต้องบอกว่าเหมือนกับขอร้องอะบอกว่าเอาละนั่นน่ะใช่ไหม ถ้าเขาทําเขาทําผิดเนี่ยเขาทาผิดแค่เล็กน้อยอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักเนี่ยใช่ไหมพูดง่ายว่าอย่าไปถือสาอะไรกันนักได้มามเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมคนนี้จะได้ไม่ทะเลาะเ บ, บาแวงกันอันนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมไอความผิดนั่นมามันเป็นแค่บุคคลคนเดียวเป็นแค่ยิบจอยแต่ตอนนี้เรื่องมันกําลังกลายเป็นโอ้โหสงแตกออกเป็นสองพวกนี่มันคนจํานวนมากแล้วนะครนนี้ บอกเห็นแก่ส่วนใหญ่ได้ไหมยอมสละส่วนน้อยเนี่ยคือไม่ต้องเอาผิดได้ไหมไอ้ส่วนน้อยเนี่ยแต่เห็นแก่ความสามัคคีของส่วนใหญ่เนี่ยอันเนี้ยยอมได้ไหมโอ้โหคราวนี้คุณดูอัตตามันนะพระเจ้าไปพูด ง, ง่ายๆว่าขอร้องถึงสามครั้งพูดถึงสามครั้งแต่ปรากฏว่าปิกษุพวกนี้ก็พูดง่ายนิมนต์พระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยขวนขวายน้อยเถอะ เออไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องแบบว่านัน่นหรอกพผู้เจ้าก็ดีแล้วอะ่ะผู้เจ้าก็ดีแล้วก็ผูดง่ายก็ก็อยู่ดีฮะอยู่อยู่อยู่ดีฮะคไม่ต้องมายุ่งผูดง่าย ไ, ไม่ต้องมายุ่งโอ้โหผู้เจ้าขอถึงสามครั้งจนในที่สุดพวกนี้ก็ไม่ยอมจนเอาละพวกนี้ไม่ยอมผู้เจ้าก็เลยไปหาอีกพวกหนึง่งพวกที่โดนโดนกล่าวหาว่าผิดเนี่ยก็ไปถึงผู้เจ้าก็พูดอีกสามครั้งเหมือนกันก็บอกว่าเอาละ ความผิดเนี่ยมันเป็นความผิดเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมได้ไหมยอมรับผิดได้ไ้มเนี่ยก็มันไม่ได้เป็นโทษอะไรเลยนี่ถ้าจะโดนลงโทษก็โดนลงโทษนิดเดียวอะเพราะถ้าลงโทษก็ต้องลงโทษตามความผิดใช่ไหมซึ่งผิดขนาดเนี่ยนะถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเป็นออของพระเนี่ยบางทีผิดทุกกดผิดอะไรพวกเนี่ยแค่อะไรมาบอกกล่าวก็ให้รู้ว่าเออผมทาผิดไปแล้วแค่นี้แค่นี้จบแล้ว หมดแล้วถือว่าเรื่องจบไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นอาบัตเบาเป็นอาบัตเล็กน้อยผู้เจ้าก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นความผิดเล็กน้อยเนี่ยยอมเสียสละได้ไหมว่าอา้าก็ยอมรับผิดไปแค่นี้เองเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมส่วนใหญ่จะได้ไม่ทะเลาะกันโอ้โหคุณดูกิเลสมาณอัตตานี่แหละให้เห็นเลยว่ามันร้ายจริงๆเลย น, น, นี่นี่ขนาดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นอาจารย์คุณคิดดูอาจารย์ไปพูดอย่างนี้นะอาจารย์ไปบอกอย่างนี้กับลูกศิษย์พูดถึงสามครั้งลูกศิษย์ข้านี้ก็ยังไม่ยอมก็เหมือนกันนี่บนผู้เจ้าบอกว่าอย่ามายุ่งเลยขวนขวายให้น้อยเถอะอืมอนในที่สุดผู้เจ้ายังแถมเล่าชาดกอีกหนึ่งเรื่องเรื่องทีฆาวุกุมาร นะอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวไม่รู้บางคนธรรมาเล่าอยู่บ่อยๆบางคนก็จะยินแล้วแต่ไม่รู้ลืมแล้วหรือยังอย่าเห็นแก่สั้นหมายความว่ายังไงอย่าเห็นแก่ยาวหมายความว่ายังไงนะใครจำได้บ้างเอา้าเอา้าใครจำได้บ้างมามาฟังจริงๆเลยมาฟังจริงๆ อ๋ออันนี้เอาสำนวนใหม่ละความหมายจริงๆเนี่ยคือในเรื่องเนี่ยเป็นชาดกที่มีการเพื่อให้งว่าฆ่าพอ่อฆ่าแม่จนกระทั่งพ่อแม่เนี่ยก่อนจะตายเนี่ยก่อนจะโดนประหารเนี่ยก็สอนลูกคือพ่อแม่เป็นพระราชาพระราชาอีกเดืองนึงเนี่ยมาตีนะแล้วก็มาครอบครองไงครอบครองเสร็จแล้วก็จะเอาพระราชากับพระมเหสีเนี่ยเอาไปปร ะ, ประหารเมืองเมืองที่โดนตีได้เนี่ยเสร็จแล้ว พอไปผ่านเนี่ยก็เลยสอนลูกชายแต่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครรู้นะว่า น, นี่เป็นเป็นพระโอรสก็ก็สอนบอกว่าเนี่ยอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวนะสอนแค่นี้จริงๆเลยปรากฏว่าทีฆาวุกุมารเนี่ยฉลาดแล้วก็รู้ไม่รู้สอนรายละเอียดหรือเปล่านะแต่แต่จาได้ว่าว่าทีฆาวุกุมารเนี่ยฉลาดแล้วก็เลย รู้เสร็จแล้วก็เลยพอตอนหลังเนี่ยมีโอกาสที่จะคือพอเติบโตแล้วเนี่ยก็มากลับมาอยู่ในเมืองของของของพระราชบิดาตัวเองเนี่ยนะพระราชาของน้ํามันครอบครองแล้วนะก็แก้งมาอยู่รับใช้จนกระทั่งเรียกว่ามีโอกาสที่จะฆ่าพระราชาคนนี้ได้ละองค์นี้ได้แต่พอจะฆ่าปั๊บเนี่ยคาพูดของพ่อที่เคยเตือนเอาไว้เนี่ย เตือนว่าอา้าวอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นแล้วก็อย่าจองเวรอะไรอย่างเงี้ยนะ อ, อันนั้นก็อีกอันนึงอันนั้นเป็นสุภาษิตแต่อันนี้อันนี้เป็นชาดกนะซึ่งความหมายก็คือว่าอย่าเห็นแก่สั้นเนี่ยคืออย่าเห็นแก่ความเป็นมิดเนี่ยเยความเป็นมิดเนี่ยอย่าทําให้มันสั้นนะัก ก็เป็นมิตรกันมารู้จักกันมาโอ้โหก็บอกแล้วบางทีก็ช่วยเหลือเสียสละทำบุญอยู่ร่วมอโศกเดียวกันมาตั้งนานแล้วทําไมจะมาทําให้มันสั้นเร็วนักอ่ะเนี่ยอย่าเห็นแก่สั้นบางทีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือเสียสละกันได้ก็เสียสละเนี่ยยอมกันได้ก็ยอมนี่แหละอย่าเห็นแก่สั้นส่วนอีกอันนึงที่ว่าอย่าเห็นแก่ยาวคือ อย่าให้ความโกรธอย่าให้ความเกลียดชังเนี่ยอย่าปล่อยให้มันยาวไปนะักความโกรธความเกลียดชังมันยาวเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งไม่ยอมกันนานเท่านั้นน่ยถ้าตาบดคุณยังมีเนี่ยมีโทสะนะมีอัตตามาณนะถือดีถือตัวอะไรต่ออะไรอยู่อย่างเงี้ยถ้าคุณยังมีอย่างนี้อยู่เนี่ย ทำมันยาวไปเรื่อยไงทำมันยาวไปเรื่อยรับรองคุคณุเกียร์ช่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมีเหรอมันจะยอมกันได้มันไม่มียอมกันได้หรอกเพราะอย่าเห็นแก่ยาวเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เอาอันนี้ยมาเทศให้ภิกษุพวกนี้ฟังอีกนะอีกหนึ่งเรื่องขอล้องไปสามครั้งแล้วแล้วก็เทศชาดกนี่อีกหนึ่งเรื่องซึ่งเนี่ยท่านก็โอ้โหสอนมันมีรายละเอียดเยอะเลยนะ ท่า น, นก็สอนอย่างดีเลยอย่า ง, างละเอียดเลยพิกสูคพวกนี้ยังไม่ยอมเลยคุณคิดดูเอาโอ้โหอัตมาประทับใจมากๆเลยเนี่ยอ่านเรื่องนี้แล้วแหม่ไอโดยเนื้อหาทั้งหมดรายละเอียดจําไม่ได้แต่จําได้โดยโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยแหมมันประทับใจมากๆนัรู้สึกมันฝังใจไว้เลยว่าเออเรื่องอัตามาณานะในเรื่องเนี้มันชัดเจนแล้วคอยคอยเอามาเตือนตัวเราบ่อย ก็นั่นแหละก็อันนี้แหละก็นั่นไงอันนี้มันพูดแบบภาษาเราไงแต่จริงๆในพระไตรดิฎกเขาก็ไม่ได้พูดหยาบอย่างนี้นะเขาก็บอกผู้เจ้าเนี่ยขวนขวายน้อยเธอ <c oughs> เขาเข้าใจสำนวนเพราะเพราะหน่อยถ้าเป็นสำนวนอย่างเราก็อย่ามายุ่งเขาบอกแล้วไงออแล้วก็ผู้เจ้าก็เลยปราบไม่ลงพอปราบไม่ลงก็เลยปล่อยเลยคนนี้โอ้โหก็ขนาดนี้แหละจะให้ ต้องพูดอะไรยิ่งกว่านี้ขเจ้าก็เลยไปเลยแล้วก็ไปพักอยู่ป่าเลไลอะ่ะแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีช้างมีลิงมีอะไรมาปนิบาตรับใช้ซึ่งรายละเอียดพวกนี้ตามาก็พูดให้ฟังแล้วบอกโอ้โหเนื้อหาพวกนี้นี่แหมเนื้อเรื่องเก็บแสบดีนะคือพูดง่ายๆว่าดูสินี่ ลูกศิษย์ลูกหาไม่ไม่ยอมเชื่ออาจารย์นะไม่มารับใช้นะปล่อยให้พวกลิงช้างอะไรมาโอ้โหสัตว์นะสัตว์มันยังรู้ดีกว่าเลยเพราะฉะนั้นคนมีอัตามานะมันแย่กว่าสัตว์นะคือคือในเนื้อหาเนะี่ยเท่ากับโอโ้โหเปรียบให้คุณเห็นว่ามันร้ายขนาดไหนไอออัตามานะเนี้ที่จริงแล้วมันเปรียบแบบหือหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงแต่ถใครอ่านไม่รู้จักคิดมันก็ไม่รู้สึกอะไรนะ แต่ถ้าคุณอ่านแล้วคุณคิดเป็นคุณโอ้โหเจ็บเจ็บมากมากนั่นแหละจนในที่สุดปรากฏว่าผู้เจ้าก็ปล่อยแล้วนี่ชาวบ้านชาวเมืองเลยโอ้โหเอาเรื่องเลยคราวนี้เพราะอะไรเพราะภิกษุสองพวกนี้แหละที่ทะเลาะวิวากจนอยู่เนี่ยแหละทำให้ผู้เจ้าต้องไปอยู่ป่าเพราะนั้นภิกษุก็เลยเอยประชาชนชาวเมืองก็เลย ไม่เลี้ยงเลยไม่ใส่บาตไม่ทำความเคารพไม่อะไรหมดเสร็จเลยคนนี้ผู้เจ้าพูดดีๆสอนดีๆไม่เชื่อควนี้โดนประชาชนเขาเรียกว่าคว่ำบาตนี่แหละภาษาคว่มบาแตแ ต, แต่แต่อันนี้นี่พระโดนคว่มบาตรชาวบ้านไม่ใส่บาทให้เลยอดสิคนนี้ไม่มีอะไรจะกินเิก็เลยต้องยอม ต้องยอมมารวมตัวกันแล้วก็อะไรสมานสามัคคีกันขึ้นมาเนี่ยยกตัวอย่างพวกนี้ให้ฟังเพื่อที่เราจะได้เห็นกิเลสว่าถ้าเราเนี่ยนะไม่พยายามมองกิเลสเราเห็นกิเลสเราให้ได้นี่นะคุณมัวไปมองคนอื่นเนี่ยคุณไม่มีวันลดละกิเลสตัวเองได้เลยถ้าคุณมวไปมองกิเลสคนอื่นเขา พยามอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากศาสนาพุทธเนี่ยพุทธเจ้าถึงได้ย้ําแล้วก็จี้ลงมาที่ตรงนี้มากเลยถ้าถึงใช้หลายสํานวนตนเป็นที่พึ่งของตนนะอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะก็คือให้เราเนี่ยมองกิเลสเรานะแล้วก็จัดการกิเลสเราอีกประสูตรหนึ่งที่อาตมาก็มาพูดบ่อยบอกว่าภิกษุที่บวชมาใหม่อะ่ะที่พระเจ้าท่านตัดว่าไม่ต้องไปมัวไปดู กิเลสคนอื่นนะดูแต่กิเลส ต, ตัวเองแล้วก็แล้วก็อะไรอะ่ะปฏิบัติทำไปโดยที่เรียกว่าดูตัวเองให้มากแล้วก็ทําไปเลยยิ่งภาพบทใหม่เนี่ยเอาเลยทําของตัวเองไปเลยนะครอันเนี้ยฝากเนี้ยคิดอันนี้ไว้ให้กับพวกเราเพราะเรื่องนี้สําคัญมากๆถ้าใครไม่มีสติสัมโพชงนะไม่ไม่ไมระลึกอันนี้ขึ้นมาได้คุณยากที่จะทำมาวิจัยเป็นวิปัสสนาได้ถูกต้อง ถ้าคุณไม่มีสติสัมโพชงมันมีสติแค่สติตื่นสติรู้ตัวว่าว่าคนนั้นทําอย่างนั้นคนโน้นทําอย่างง้นอันนี้มันสติชาวบ้านชาวช่องธรรมดาเนี่ยก็เขาก็รู้ได้เพราะว่าอะไรเพราะขนาดคนที่บันติดอไชยมุกบางทีมันก็รู้เล่าเล่าก็ไม่ดีมันก็รู้ทําไมมันจะไม่รู้ล่ะมันก็พอจะรู้อยู่อ่ะมีโทษมีภัยอะไรมันก็พอจะรู้อยู่แต่นั้นสติทั่วไปถ้าสติสามโพชงอนี่จะรู้เลย ว่าเอออันนี้ไม่ดีจริงๆอันนี้ไม่ดีไม่ควรไปทํานะควรที่จะเลิกซะแล้วมันก็จะทำมาวิจัยเนี่ยจะทํามาวิจัยเลยเพื่อที่จะเห็นกิเลส ต, ตัวเองแล้วก็จะล้างกิเลส ต, ตัวเองทิ้งให้ได้นะเพราะเพราะพอทําอย่างนี้ได้เนี่ยกิเลสคุณจะเบาบางลงไปเรื่อยเบาบางเรื่อยเืยแล้วคนนั้นน่ะจะวัดผลได้เลยว่าเออเรายอมได้เก่งขึ้นหรือพูดง่ายๆ อ, อีกคํา ภาษาแบบง่ายๆคุณจะใจเย็นขึ้นคุณจะรู้สึกเออเราอดทนได้เก่งขึ้นแล้วเราก็ใจเย็นขึ้นนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะรู้สึกเจอนั่นเจอนี่เอ๊ะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายใจร้อนแต่พอคุณปฏิบัติถูกทางเนี่ยสำมาทิฏฐิแล้วเอออดทนเก่งขึ้นแล้วก็ใจเย็นขึ้นฮนะไม่หงุดหงิดงุนง่านอะไรเหมือนแต่ก่อนผลมันจะออกมาให้คุณเห็นเองเลยโดยสัจจะเพราะถ้าใครปฏิบัติถูกจริง ผลจะออกมาจริงตามตามนี้เลยนะเพรา ะ, ะนั้นบัด น, นี้ฝากประเด็นพวกนี้ไว้นะเราจะได้แบบว่าเออปฏิบัติได้เข้าสัมมาอริยมรกองแปดเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นได้ถูกต้องขึ้นนะแล้วเราก็จะเจริญในธรรมได้มากขึ้นด้วยเอาวันนี้คงฝากไว้ที่ น, นี้นะ